มีพื้นล้วนเป็นเหล็กไฟลูกโพล่อยู่แผ่ไปร้อยโยดโดยรอบนะไฟนี่พุ่งเป็นพันๆกิโลอ่ะตั้งอยู่ทุกสมัยนะแล้วไอ้ไฟนี้มันไม่ดับเป็นอ่ะร้อนระอุอยู่ตลอดไหมมาเป็นไม่รู้กี่ล้านปีมาแล้วเขายังสนใจแล้วไอ้ใต้ลาวานี่มันคืออะไร น, นะลาวาที่มันไหลเนี่ยนะแล้วถามไอ้ข้างล่างนั้นอนะ่ะคืออะไร แต่แต่ถ้าดูตามอะไรนะในในตะโปธาวันอะ่ะตะแม่น้ําตะโปธาเนี่ยที่มันร้อนเนี่ยที่บ่อน้ําร้อนเนี่ยเพราะมันไหลผ่านตะโปธานรกมาแต่ถ้าไอหม้อน้ําร้อนไอไบ่อน้ําร้อนที่อื่นๆเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากกรรมฐันมันเยอะนะมันก็เลยทําให้มันเกิดความร้อนแต่ว่ามีใครมุดลงไปลึกๆเนี่ยนะนั้นมีอะไรไม่ต้องไปลองนั่งเรื่องเนาะบอกว่า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 แปล ง, ง่ายๆว่ามันมีอยู่สี่มุมก่อนนะสี่มุมและมีบนล่างเท่ากับ6ทิศทุกอย่างไฟพุ่งได้หมดเลยนะไฟบุนจากหน้าจากล่างจากซ้ายจากขวาจากบนจากล่างเนี่ยนะโอ้สัมผัสทุกอนูนะได้สัมผัสกับทุกๆุกอนูเลยเหมือนกันเาบอกว่าหน้ากลัวเผาสัตว์ที่มีกรำอันชั่วช้าไปจุดพื้นบ้างล่างแผ่นเหล็กที่ติดทั่วแดงโชนไฟโผลงฉันใด เคยเห็นไฟเหล็กแดงๆที่มันลุกโชนฉันใดไฟอเเวจีนรกข้างล่างก็ปรากฏที่สัตว์เห็นอยู่ข้างบนชั้นนั้นทุกอย่างมองเป็นดั้งไปหมดเลยนะสีทองแบบนั้นนะ่ะเราสัตว์ในอเวจีนั้นชั่วช้ามากทำกรรมที่ชั่วมากทำแต่กรรมลาโมกอย่างเดียวทำแต่กรรมที่เป็นบาปถูกไฟถูกไฟไหมอยู่แต่ไม่ตาย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 เหล่าสัตว์นั้นรีบวิ่งไปทางประตูด้านหน้าที่เปิดอยู่กลับจากประตูด้านหน้าวิ่งไปทางประตูด้านหลังไอประตูเนี่ยมันมันก็หลอกเองนะมันเปิดหลอกเองมันปิดหลอกเปิดหลอกเนี่ย น, นะให้วิ่งไปกลับจากประตูด้านเหนือวิ่งไปทางใต้แม้จะวิ่งไปสู่ทิศใดๆประตูนั้นก็ปิดเองไปวิ่งไปถึงก็เหมือนกับปิดเองอ่ะนะคะถูกหลอกแบบนั้นอนะ่ะเหล่าสัตว์นั้นหวังจะออกหาทางที่จะพ้นไปก็ออกจากนรกนั้นไม่ได้เพราะกรรมเป็นปัจจัย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 สรุปว่าทุกในนรกทุกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานทุกในเปรติวิสัยทุกในมนุษย์ทุกเกิดแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏแล้วทุกเหล่านั้นทั้งหมดย่อมมีย่อมเป็นย่อมเกิดบังเกิดบังเกิดพร้อมบังเกิดเฉพาะปรากฏเพราะเหตุจากความรักจไมาเลยบอกว่าเออทุกเราเนี่ยนะถ้ารักเมื่อไหร่ก็บอกว่ากําหนดไล่รหัสทุกอะไรนะเปิดบัญชีทุกมาอ่านเลยทุกหนึ่งสอห้าหกเจ็ดแปดสิบร้อยพั0 0 0 0 0นแก็ทุกทั้งนั้นเนี่ยนะก็เอาไป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 เหตุปัจจัยของฝนอันนั้นเขาเรียกว่าอุตุนิยามกรรมนิยามก็เหมือนกันเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็กรรมนิยามตามสมควรแก่เหตุและผลเหมือนเหมือนอีกอันหนึ่งธรรมนิยามเราจะเห็นด้วยว่าควรแก่ควรตายหรือไม่เห็นด้วยว่าไม่ควรแก่ไม่ควรตายมันก็แก่ก็ตายเพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมนิยามเหมือนกระแสะของความคิดที่มันไหลสืบเนื่องไปเขาเรียกว่าจิตนิยาม กิตตนิยามเหมือนผลไม้ทั้งหลายที่ออกตามฤดูการตามความเหมาะสมของพืชผลไม้เหล่านั้นเรียกว่าผีชันนิยามเรื่องนิยาม5มันเป็นไปตามธรรมดาของมันอย่างนี้แหละไปทำอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งคาถาที่3พระประเจกรูปที่3หน้า142ท่านบอกว่า พระปเจกรูปนี้สรุปว่าท่านสั่งสมบุญมาปฏิบัติธรรมมาสองหมืนปีะนะก็จุติจากพรหมโลกมาเสเวยสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีเสร็จแล้วก็เจริญปฐมฌานเป็นพระราชาได้ฌานนะคิดดูมีบุญขนาดนั้นนะเป็นพระราชาที่ทาฌานให้เกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาว่าระหว่างสมณะธรรมคือปฐมฌานกับราชสมบัติอันไหนจะประเสริฐกว่ากัน ก็มาชั่งใจชั่งเออราชสมบัติกับกุศลธรรมอันไหนดีกว่ากันตกลงว่าจะรักษาอันไหนก็เลยมอบราชสมบัติไว้ในมืออํามาตะของสี่คนแล้วก็กระทําสมณธรรมอํามาตะทั้งหลายแม้พระราชาตรัสว่าท่านทั้งหลายจงทำโดยทํำโดยสม่ําเสมอก็รับสินบนทําโดยอาธรรมแต่งตั้งแต่อํามาตทรราชเนี่ยนะขึ้นอมาตะเหล่านั้นไม่รับสินบนก็ทําโดยอาธรรมสรุปว่าทําตามใจหมดเลย รับสินบนก็ทําเจ้าของให้แพ้มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ให้ราชบัลลบคนหนึ่งแพ้คือคือคนสนิทของพระราชาราชวัลลบก็คือคนรับใช้พระราชาคนใกล้ชิดเนี่ยนะทำให้คนใกล้ชิดพระราชาแพ้ราชวัลลบนั้นก็เข้าไปเฝ้าพร้อมกับพนักงานห้องเครื่องคือภรรยาหาน่ะนะของพระราชาบอกเรื่องทั้งหมดให้พระราชาทราบวันที่สองพระราชาก็เสด็จไปสู่สถานที่วินิจฉัยด้วยพระองค์เองแต่นั้นหมู่มหาชนก็ส่งเสียงดังว่า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 ปัจเจกโพธิยานมีบุญและนั่งบนบัลลังก์ก็บรรลุได้นะฉนั้นขอให้เจริญสมาถาวิปัสสนาไว้ให้ดีเถอะอยู่ตรงไหนก็บรรลุได้หมดถ้าอินทร์ศีกแก่กล้าบารมีเต็มเตี่ยมพอแล้วเนี่ยนะไม่ต้องหนักใจเราขอให้เจริญสมณะธรรมเจริญสมาถาวิปัสสนาตามคําสอ น, สนให้มันดีเถอะน่ยนะหลังจากนั้นพวกอามาตะก็ได้ทูลถามถึงกรรมฐานพระองค์ก็ตรัสตอบว่าต่อว่างไง